ก็คือยังมีความเห็นยึดถืออยู่ในระหว่างตัวเรากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่แยกออกจากกันไปได้เพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม่ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ก็กลาวบัว่าเป็นตัวเราดังเช่นที่ทุกๆคนมีความรู้สึกกันอยู่เช่นว่าขณะที่นั่งอยู่นี้ก็ย่อมจะรู้สึกว่าตัวเรานั่งอยู่เมื่อเดินก็ย่อมจะรู้สึกว่าตัวเราเดินยืนนอนก็ย่อมจะรู้สึกว่าตัวเรายืนนอน ดังนี้เป็นตนเป็นอันว่ายังมีความเห็นยึดถือว่าตัวเราอยู่นั่นแหละแม้ในปัจจุบันทั้งยังมีความยินดีเพลิดเพลินก็คือตัวเราที่เป็นปัจจุบันนี่แหละยังมีความยินดีเพลิดเพลิน คำนึงถึงอดีตบ้างหวังถึงอนาคตบ้างดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงยังคงไม่มีปัญญาเห็นแจ้งไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในปัจจุบัน เพราว่าในปัจจุบันนี้เองก็ยังมีตัวเราอันเป็นปัญหาอุปาทานบางสัจจะคือความริงอยู่ทั้งไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในอดีต เพราะยังมีความเพลิดเพลินยินดีคำนึงถึงอดีตโดยเป็นตัวเราอยู่ยังมีความเพลิดเพลินยินดีหวังถึงอนาคตโดยยังหวังเป็นตัวเราอยู่ ในรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นจึงยังไม่เห็นแจ้งในสัจจะคือความจริงที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตรวมปัจจุบันเขาด้วยก็ทั้งที่เป็นปัจจุบัน เป็นอันว่ายังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในการทั้งสามดฉะนั้นจิตใจนี้ยังยังถูกครอบงำอยู่โดยอวิชชาโมหะโดยตันหาอุปาทาน พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้จำแนกจำแนกว่ารูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนที่เป็นอนดีตที่จิตใจนี้ยังมีความเพลิดเพลินยินดีคำนึงถึงอยู่นั้นดับไปแล้ว ไม่มไม่มีเหลืออยู่แล้วส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงเพื่อที่จะได้ดับใจเสียจากส่วนที่เป็นอดีต ดับใจเสียจากส่วนที่เป็นอนาคตไม่ให้ใจนี้ท่องเที่ยวออกไปเพราะส่วนที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงรักสอนให้รู้จักจำแนกดังนี้ ให้จิตใจนี้รับรู้ตามที่ทรงสั่งสอนและเมื่อ จ, จัดจิตใจนี้รับรู้ตามที่ทรงสั่งสอนได้ก็จะดับใจจากอนิตได้ดับใจจากอนาคตได้ก็เป็นอันว่าดับตัวเราจากอนิตได้ ดับตัวเราจากอนาคตได้ก็เป็นอันว่าดับนามารูปหรือดับขันผ้าที่ไปกับตัวเราในส่วนอดีตได้ในส่วนอนาคตได้นามารูปหรือขันที่ไปกับตัวเราดังกล่าวนี้ก็หมายถึงนามารูปหรือขันที่เป็นชั้นใน ที่ไปกับตัวเราไปกับใจดังที่กล่าวมาแล้วจึงเหลือแต่ปัจจุบันก็ให้มากาหนดเจาะแทงลงไปที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เจาะแทงอะไรอื่นเจาะแทงตัวเราที่รู้สึกว่าตัวเราอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นว่า ในปัจจุบันนี้เมื่อนั่งเมื่อนอนก็รู้สึกว่าตัวเรานี่นั่งเมอนอนซึ่งตัวเรานี้ก็คือตัณหาอุปาทานความอยากยึดอยากยึดอยู่ในอะไรก็อยากยึดอยู่ในขันห้าหรือนามารปทิปันปิปิเป็นปัจจุบันไม่ใช่สิ่งอื่น อยากยึดอยู่ในนามรูปในขันท่าที่เป็นปัจจุบันที่เป็นตัวเราอยู่ในปัจจุบันพิจารณาให้เห็นลงไปเจาะแทงตัวเราลงไปว่าตัวเรานั้นไม่มีตัวเราเกิดจากตัณหาอุปาทานอยากยึดว่าตัวเราว่าของเราเพราะฉะนั้นตัวเรานี้ก็คือตัวตัณหาอุปาทาน ซึ่งอันที่จริงนั้นตัวเราไม่มีตัวเราก็คือตันเทาอุปาทานตันเทาอุปาทานนั้นเราก็เป็นตัวอวิชชาตัวโมหะความไม่รู้ความลงเพราะเห็นว่าขันธ์หาที่เป็นปัจจุบันนามรูปที่เป็นปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ นี่เป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นหากคันท่าหรือนามรูปเป็นตัวเราวโตราก็เกิดดับเกิดดับอยู่ในปัจจุบันนี้เองเกิดแล้วก็ดับขึ้นทันดับไปทันทีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้น ก็ให้แพ่งพินิจเจาะแทงตัวเราอันเป็นตนาอุปาทานที่ลงไปให้พบนามารูปหรือพบวันนี้รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณและเมื่อพบนามารูปพบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ เป็นปัจจุบันธรรมก็เป็นอันว่าได้พบวิปัสนาภูมิภูมิของวิปัสนาและเมื่อพบวิปัสนาภูมิไตรลักษณ์ของวิปัสนาภูมินี้ก็จะปรากฏคือนามารวบหรือว่าโลกเวทนา ส, สัญญาสังขารวิญญาณก็จะปรากฏความเกิดความดับ เป็นอนิจจะไม่เที่ยงปรากฏว่าตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแ ป, ปรเปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อเกิดเป็นรูปเป็นนาขึ้นมาเกิดเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาก็ไม่ตั้งอยู่ต้องแปรไปเปลี่ยนไปดับไปเป็นทุกข์ จึงบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เป็นตัวตนแล้วต้องบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้แต่นี้บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่านามรูปหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ เป็นอนิจจ่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็แปลว่าใจลักปรากฏเมื่อใจลักปรากฏขึ้นแม้แต่น้อยก็ชื่อว่า เห็นแจ้งเป็นบีปัสนาและเมื่อเห็นแจ้งก็ยอมจะไม่งอนงันไม่คลอนแคลนไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ในนามารูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณนามารูปนี้หรือว่าขันข้านี้ก็จะไม่เป็นที่ตั้งของตัญหาอุปาทาน เป็นอันว่าดับใจได้คือใจที่ประกอบเป็นตรังอุปาทานเพราะว่าดับตระหนังอุปาทานได้และสติปัญญาที่ทำมาจนได้อย่างนี้ก็ดับไปเป็นขั้นๆแล้วก็ต้องปฏิบัติกันให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาอีกเรายังไม่เสร็จกิจต้องทำกันต่อไปอีก แต่ทุกอย่างก็ต้องเกิดดับเกิดดับไปดังนี้พร้อมกันใจดับตัณหาปาทานดับนามารูปหรือว่าขันดับส ต, ติปัญญาดับในข้อนี้ในเรื่องนี้และเกิดเรื่องใหม่ข้ออื่นใหม่ขึ้นใจก็เกิดขึ้นอีก ตัณหาประธานเกิดขึ้นอีกนามารูปขันธ์ห้าเกิดขึ้นอีกสติปัญญาก็ต้องอบรมขึ้นอีกเพื่อดับและเมื่อดับก็ดับไปด้วยกันหมดและเมื่อเกิดก็ต้องปฏิบัติทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อดับและเมื่อดับก็ดับไปด้วยกันหมด ก็เกิดดับไปอย่างนี้ทุกทุกฝ่ายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบส่อต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมั ส, สการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสมพุติเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางประธรรมและประสงค์เป็นสรณะ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 นำพระบรมศาสดาได้ทรงจําแนกแจกธรรมอันเป็นปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งได้แสดงมาโดยปริยายคือทางอันหนึ่งซึ่งมุง่งทางปฏิบัติทางปัญญาหรือ ทางวิปัสนาดังที่เรียกว่าวิปัสนาญาณญาณคือความอย่างรู้อันเป็นเหตุเห็นแจ้ง วิปัสสนาญาณ น, นี้เป็นปัญญาศิกขาซึ่งเป็นยอดของศิกขาทั้งสามการปฏิบัติธรรมะ เมื่อปฏิบัติให้ถึงปัญญายังจะเห็นธรรมคือสัจจะความจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็โดยมีปริยัตยิคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเครื่องนำเพราะฉะนั้นคำว่าปริยัตยินี้ยังต้องเป็นเบื้องตนของปฏิบัติ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นปริยัติทางนั้นแต่ว่าเป็นพุทธปริยัติคือปริยัติของพระพุทธเจ้าและแม้คำสั่งสอนของ พระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านได้จำทรงบอกกล่าวสั่งสอนกันสืบมาจนถึงได้จารึกลงเป็นตัวอักษรเป็นหลักฐานและก็เราเรียน บอกกล่าวสั่งสอนกันต่อมาก็เป็นปริยัติทางนั้นแล้วก็นับว่าเป็นพุทธปริยัติเว้นไว้แต่ว่าผู้ที่บอกกล่าวสั่งสอนกันต่อมานั้น บอกกล่าวสั่งสอนผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ไม่คือว่าพุทธปริยัติแต่ว่าเป็นคำสั่งสอนที่เรียกว่ากล่าวโตพระพุทธวจนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้ก็อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังนี้ก็ไม่จะเป็นพุทธปริยัติเป็นสัทธธรรมปฏิรูปสัทธธรรมปลอม และแม้ว่าจะไม่อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ครูอาจารย์ที่สั่งสอนกันกล่าวสั่งสอนหรืออธิบายผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ไปตามครองธรรมของพระพุทธเจ้า ก็ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธปริยัติเหมือนกันเป็นความเห็นของอาจารย์นั้นๆเองไม่ใช่เป็นพุทธปริยัติคือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีความเคร่งครัด ความที่อยากกล่าวผิดไปจากพระพุทธวจนะจึงต้องอ้างพระพุทธวจนะวราระุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้อย่างนี้ อันมีที่มาจากจัตุศาสตร์ซึ่งบัตรนี้กบจำได้เป็นตัวอักษรคือประกายปินกอันเป็นที่รับรองรับถือกันทั่วไป ก็จะต้องมีที่อ้างพระพุทธวจนะจาะกปฐไต ร, รปิฎกเพราะฉะนั้นธรรมเนียมที่พระเทศจึงต้องมีบทอุเทศคือเป็นพระพุทธภาษิต หรือสาวกกะภาสิทธเป็นบาลีตั้งนโมสามจบแล้ว ก, ก็ยกเอาพุทธภาสิทหรือสาวกกะาสิทธอันรวมเรียกว่าพุทธศาสนสุภาสิทธ์เป็นบาลีขึ้นเป็นบุตรุเทศคือเป็นหัวข้อ แล้วก็แสดงไปอันเป็นเครื่องแสดงว่าพระผู้แสดงนั้นไม่ได้ว่าเอาเองแต่ว่าเป็นการแสดงอธิบายตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็ต้องระวังไม่ให้ออกนอกทาง พระพุทธาธิบายคือความประสงค์ของพระพุทธเจา้าที่จะตรัสสอนไว้นั้นและเมื่อได้มีพระพุทธภาษิตเป็นที่อ้างอิง <c oughs> แน่นอนซึ่งผู้ฟังผู้ศึกษา ได้ทราบแม้ว่าภูอธิบายจะอธิบายผิดเพี้ยนไปบ้างแต่หัวข้อที่ตั้งไว้นั้นเป็นหลักอันทำให้ผู้รู้ที่ใครครวนก็สามารถจะรู้ได้ ว่าอธิบายไปผิดถูกอย่างไรเรามีธรรมะที่เป็นแม่บทตั้งอยู่ข้างหน้าเป็นแนวให้ผูที่มีปัญญาใครครวนรู้ได้เพราะฉะนั้นเมือ่อย่างอินประพุทธวจนะ พุทธศาสนาสุภาษิตอยู่เป็นหลักโดยที่ยกออกมาให้ปรากฏแก่ผู้ฟังและผู้แสดงก็แสดงไป <c oughs> ก็ย่อมจะยังพอรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรง เป็นความถูกต้องอยู่ได้แต่วัตถะทิ่งสมบูไม่มีอ้างอิงพระพุทธวจนะหรือพุทธศาสนาุกภาศิทธิและแสดงอธิบายไปแสดงรีบไปตามอัตโนมัติคือตามความรู้ความเห็นของตนแต่อย่างเดียว ถ้าหากว่าถูกก็ถูกไปแต่ว่าผิดก็ทำให้เป็นสัทธธรรมปฏิรูปขึ้นโดยที่ผู้แสดงไม่จงใจก็ได้แต่ว่าเพราะรู้เห็นมาอย่างนี้ก็แสดงไปอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าหากว่ารู้เห็นถูกก็ถูกถ้ารู้เห็นผิดก็ผิดเพราะฉะนั้นพระเถระผู้ที่เคร่งคัดมาตั้งแต่อดีตท่านจึงประหยัดตนในข้อนี้ต้อง ซึ่งพระพุทธเจ้าระทำประสงค์ในการแสดงอ้างเอาพระพุทธวจนะเป็นหลักฐานยืนยันอยู่ตลอดมาพระฉะนั้นการที่อ้างนั้นจะว่าเป็นปริยัติก็เป็นปริยัติ แล้วก็เป็นปริยัติจริงๆเป็นพุทธปริยัติและแม้คําสั่งสอนของใครของใครที่สั่งสอนเมื่อเป็นวาจาออกมาก็เป็นปริยัติทางนั้นแต่ว่าขอให้เป็นพุทธปริยัติหรือเป็นพุทธาศาสนปริยัติอย่าให้เป็นนอกาศาสนา เป็นสัตธรรมปฏิรูปก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอัฏฐะคือเนื้อความให้เข้าใจธรรมะคือข้อธรรมอันถูกต้อง จึงเป็นข้อสำคัญจะทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติไม่ผิดไปจากพุทธปริยัติดังกล่าววิปัสสนาญาณ นี่เป็น